พระไทยของพระพุทธเจ้าเนะ่ยท่านสงบเยือกเย็นสะอาดบริสุทธิ์ถึงที่สุดก็ตรงนี้เลยตรงนี้เลยใต้ต้นสีมหมาโพเลยเพราะว่าพระองค์อะ่ะเอาธรรมะเข้ามาสอนจิตใจอบรมจิตใจทําให้จิตใจรู้ความจริงจิตใจเมื่อรู้ความจริงแล้วจิตของพระองค์ก็ปล่อยวาง ปล่อยวางอัตตาปล่อยวางตัวตนมันจึงเรียกว่าละอวิชาละอวิชาอวิชาดับก็หมายความว่ารู้ความจริงหมดรู้ว่าไม่มีเราไม่มีของเราอยู่เลยที่จะควรยึดมั่นถือมัน่นมีได้ชีวิตเราก็ยังมีอยู่ได้แต่ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ยึดไม่ได้ พอทยิดเมื่อไหร่เราก็หลงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเป็นทุกข์เพราะความหลงของเราเองพู้เจ้าท่านปล่อยหมดแล้วเพราะนั้นการที่เราสงบเข้ามาเราวางได้บ้างเราปล่อยได้บ้างนี่ก็หมายถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมผู้ปฏิบัติตามก็คือพระสงฆ์ก็คือเรานี่เองคุณของพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเราหรือว่าผู้ที่สืบทอดคาสอนของพพุทธเจ้ามาจนถึงพวกเราก็อาศัยพระสงฆ์ พระอริยสงฆ์ก็มีคุณนั้นด้วยและคุณของเราเองด้วยที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็เป็นพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าทําให้ศาสนามั่นคงอยู่ได้มีผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามการปฏิบัติของเหล่านี้มันก็มีส่วน ทำให้คนอื่นเขาอยากปฏิบัติเพราะนั้นเมื่อปฏิบัติแล้วเนี่ยพระพุทธเจาสอนอะไรเราก็น้อมเข้ามาพยายามที่จะเอามาประพฤติปฏิบัติฝึกฝนตัวเองด้วยขัดเกลาตัวเองด้วยเพราะไอ้ความหลงนี่มันมีอำนาจมากพอหลงแล้วก็มีเราตัวตนของใครมันมากมันหนาแน่นมันก็จะทำเพื่อตัวเอง มันจะคับแคบมากเขาจะไม่เห็นแก่คนอื่นเพราะคนเราจึงทำความชั่วได้ง่ายทําทำบาปทำอกุศลได้ก็เพราะว่ามันมีความเห็นแก่ตัวมันมีตัวตนมากก่าความเห็นแก่ตัวก็มากนี่ต้นตอมันอยู่ที่นี่เลยต้นเหตุของปัญหาของโลกมันอยู่ที่จิตใจที่ลุ่มหลงไม่รู้ความจริงนี่เองเพราะนั้นเรารู้แก่นของมันลว เราก็ต้องมาปฏิบัติพยายามให้ตัวตนหรือความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยลดลงไปเพราะการดําเนินชีวิตของเราเราก็เนี่ยต้องเอาธรรมะของจริงนี่แหละเข้ามาอบรมจิตเข้ามาสอนจิตและก็พยายามที่จะเดินตามธรรมะของจริงของแท้เนี่ยขัดเกาตัวเองอัตตาตัวตนก็ถึงจะค่อยเบาบางลงไป วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วเช้าสุดท้ายแล้วเราจะบูชาพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติบูบชาคําว่าบูชาในทีน่นี้ปฏบิบัติบูชาก็คือทําจิตเราให้ตื่นอันดับแรกต้องตื่นใครที่ง่วงซึมวันนี้ต้องแก้ไขให้ได้วันสุดท้ายแล้วต้องให้ตื่นให้ได้ถ้ามันนั่งเอาร่างกายมันนั่งแต่มันนั่งซึมอยู่มันนั่งหลับอยู่ มันก็กลายเป็นว่าเอาความหลับเอาความซึมมาปฏิบัติมาบูชามันไม่ใช่เราไม่ได้เอาท่าทางไม่ได้เอากิริยาอาการที่เราว่าเรามานั่งอยู่ใต้ต้นสีหมาโพแล้วก็มานั่งหลับอยู่อันนี้มันไม่ใช่เนื้อหาเนื้อหาของการปฏิบัติบูชาหมายก็ว่าเราจิตเราต้องตื่นรู้สึกตัวตลอด ถ้ามันจะง่วงจะซึมมันเรื่องร่างกายเราก็ต้องแก้ไขให้ได้ต้องพยายามสู้กันเอาให้ผ่านไปให้ได้ถ้าจิตใครตื่นนี่จึงเรียกว่าปฏิบัติบูบชาเพราะพู้เจ้ารู้ตื่นเบิกบานเต็มที่เลยเพราะนั้นยังไงก็ต้องเอาชนะความง่วงความซึมความหลับให้ได้วันสุดท้ายแล้วยังไงต้องเอาให้ผ่านเอาทุกวิธีทางที่จะทำให้จิตเราตื่นขึ้นมา เมื่อจิตตื่นแล้วก็ตื่นเราก็รู้แล้วว่ามันไม่มีอะไรเลยที่เราจะไปหลงยึดมั่นถือมั่นเราก็เอาสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นน่ะดึงมันเข้ามาเลยเอาสติเราไปดึงเข้ามาแล้วก็สอนจิตให้รู้ว่าอันนี้นะมีได้แต่อย่าไปยึดมากอย่าไปหลงมากอย่าให้มันมามีอิทธิพลต่อจิตเราอย่าให้มันมาทำให้เราเป็นทุกข์ นี่จึงเรียกว่าเนี่ยสอนจิตไปให้มันรู้จักปล่อยวางแต่ไม่ได้หมายว่าไปทิ้งสิ่งของไปทิ้งข้าวของวางเหมือนกับวางเอาไว้และเกี่ยวข้องให้มันถูกต้องจะเป็นคนก็ตามสิ่งของก็ตามสัตว์ก็ตามเราเอาเรื่องเหล่านั้นละเข้ามาแล้วสอนจิตเรามันมีอาการปิดไหมมีอาการเข้าไปนวลเนียเข้าไปหลงงมงายอยู่กับมันห ความรู้สึกของเรามันไปจมอยู่กับเรื่องเหล่านี้ไหมไปงมอยู่กับเรื่องนี้ไหมมันจะไปจมไปงมอยู่กับไอ้พวกอะไรนอกกายนอกใจเราเนี่ยมันก็ห่างไกลไปแม้แต่กายกับใจพูเจ้าก็ยังปล่อยวางเพราะนั้นเรื่องข้างนอกนี่ต้องเอาให้มันเข้าใจซะก่อนมีได้ไม่ใช่มีไม่ได้ทิละก็คือละอุปาทานละความยึดติดข้อง มันติดข้องก็เพราะอะไรก็เพราะมันไม่รู้มันมีอวิชามันมีความหลงมันก็เข้าไปนวนเนียเข้าไปหมกเข้าไปจมเข้าไปงมอยู่กับสิ่งทั้งหลายมันก็ดึงจิตเราไปมีอิทธิพลต่อจิตของเราเราก็ต้องให้จิตเราอยู่เหนือมันให้มันเป็นเครื่องใช้ของเราเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับเรา ให้มันเป็นสิ่งที่มาทำให้เรามีความสุขสบายไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนจากนั้นก็เอาจิตเข้ามามองดูกายเราหรือขันห้าของเรานี่แหละกายเวทนาจิตธรรมหรือมองดูขันห้าเราก็ทำความเข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นเหมือนเครื่องใช้ร่างกายก็เป็นเหมือนเครื่องใช้จิตก็เป็นเครื่องใช้ ทำยังไงอะจิตเรายังคายออกจากความยึดติดข้องว่ากายว่าจิตนี้เป็นตัวเป็นตนของเราเราเข้าใจแล้วแต่ว่าจิตนะ่ะตัวจิตเรานะ่ะมันยังหลงอยู่มันมีความหลงอยู่เราจึงต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าวิธีของพระพุทธเจ้าคือยังไงล่ะก็ต้องเจริญสติมีสติขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อมันควบคุมจิตได้ให้จิตอยู่ในอำนาจของสติเพื่อไม่ให้จิตไหลออกไปข้างนอกเพลินไปข้างนอกซาาัดสายออกไปข้างนอกให้จิตอยู่เมื่อจิตอยู่แล้วก็ต้องให้จิตมันเห็นตัวจิตให้มันเห็นด้วยเห็นว่าเนี่ยมันไม่ใช่จิตไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วก็อบรมจิตไปด้วยให้มันรู้ให้มันเข้าใจไปตามลาดับตามลาดับตามลาดับ จนกว่ามันจะเข้าใจลึกซึ้งด้วยตัวจิตเองค่อยๆรู้ไปตามลําดับลําดับค่อยคายออกคายออกคายออกถ้าไปถึงจุดที่ได้มาตรฐานมันก็จะละความหลงเหล่านั้นประหารความหลงประหารกิเลสตัณหาอุปาทานไปด้วยกันเลยมันไปพร้อมๆกันเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เช้าสุดท้ายยังไงต้องให้ตื่นให้ได้ใครที่เคยหลับเคยซึมเอาให้ตื่นให้ได้ มันต้องตื่นมาถึงใต้ต้นสีมหาโพแล้วผู้เจ้านี้ท่านตื่นถ้าไม่ได้มานั่งซึมนั่งหลับเนี่ย <Yeah. S 2> เราก็ต้องทำให้ตื่นขึ้นมาถ้ามันจะหลับก็ไม่ต้องหลับตามันละลืมตาก็ได้นั่งเฉยๆมันซึมลงไปอ่อทำยังไงอะ่ะมันจะสดชื่นขึ้นมาได้สูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆ กั้นลมไว้ให้ลมมันซ่านไปตามร่างกายไปเลี้ยงร่างกายหรือว่าการกั้นลมอะไรอย่างนี้มันต้องมีพลังเรายังไม่ปล่อยลมมันก็มีพลังดันมันก็ทำให้ตื่นขึ้นมาได้หรือไม่งั้นก็คือนึกถึงธรรมของพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาคือไม่นิ่งเฉยมีการพิจารณาธรรมใคร่ควรทราไปด้วยนึกถึงหัวข้อธรรม นึกถึงธรรมะหรือความจริงทั้งหลายที่มันทําให้เราตื่นขึ้นมาได้หรือไม่งก็สวดในใจเรามองสาธยายในใจอันนี้เป็นวิธีของพุทธเจ้าหรือไม่ันก็ลืมตาบริหารร่างกายหรือทําจิตให้ตื่นขึ้นมามองดูแสงสว่างเราทําจิตเราให้สว่างไม่ได้ก็ลึกขยายขยายจิตของเราออกไปให้มันกว้างออกไป แล้วก็ย่อจิตเราลงมาที่ว่าฝึกยอ่อฝึกขยายก็คือนี่แหละฝึกกำลังของจิตใจให้จิตมันมีกำลังขึ้นมาแล้วมันจะตื่นตัวขึ้นจากนั้นก็เอาจิตเข้ามาดูกายเวทนาจิตทำอันนี้ขึ้นอยู่กับความพอดีของแต่ละคนแลละมันไม่มีสูตรตายตัวอันไหนที่ทำแล้วเรารู้สึกว่าจิตเราตื่น รู้ตัวทั่วพร้อมขึ้นมาปล่อยวางอารมณ์ได้เอาหมดเลยปฏิบัติเวลาปฏิบัตินี่ก็เราไม่ลืมหรอกพื้นฐานเราต้องพอใจปฏิบัติเท่านั้นพอใจสร้างเหตุเท่านั้นไม่ไปมุ่งที่ผลน่ะไมมุ่งที่ผลมันทำให้เกิดความอยากต้องไม่มีความอยากการปฏิบนะัตินมี แต่พยายามละความอยากอยากสงบกลัวไม่สงบอยากได้ปัญญาอยากได้ญาณอยากได้มรกได้ผลฟังคนอื่นเล่าบ้างเราก็อยากได้บ้างเราต้องคุมมันเราไม่ได้ไปห้ามมันนะมันมีขึ้นมาก็รู้มันรู้มันเราก็มีเหตุผลว่าไอ้นี่ผลต้องมาจากเหตุเหตุก็คือการปฏิบัติ ไม่ใช่เกิดจากความอยากสอนจิตเราแล้วก็เอาที่สิ่งที่พุทธยอดตะสรู้คือไม่มีอะไรไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเราเพราะนั้นเราพยายามที่จะไม่ให้มีตัวเราคือวางปฏิบัติแบบปล่อยวางอะได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรพยายามไม่ให้มีความรู้สึกว่าเราเข้าไปแทรกแซงอะถ้ามีเราเข้าไปแทรกแซงปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นว่ามีอัตตาเข้ามาแล้วมีตัวมีตนแล้ว เราต้องพยายามที่จะรู้ทันความวมีตัวมีตนที่มันแทรกเข้ามานี่เนี้ย ว, ว่ารู้ทันก็วางอ่ะวางอัตตาวางตัวตนวางความรู้สึกว่าเป็นเราเพราะนันผู้ปฏิบัติเนี่ยอันดับแรกเลยมันต้องละสักยทิฏฐิเพราะว่าพระโสดาบันนั่นจะละสักยทิฏฐิได้ก่อนเพราะเราเริ่มต้นปฏิบัติก็คือทาเหมือนไม่มีเราเลยอ่ะ นีละไปในตัวเลยเป็นคุณสมบัติที่จะเป็นพระอัยยเจ้าเลยอะ่ะการละตัวตนพยายามไม่ให้มีตัวตนพยายามที่จะไม่ให้มีความรู้สึกว่าเป็นเราจะเอานั่นจะเอานี่วางจิตให้เป็นกลางเลยวางจิตเป็นกลางแล้วจากนั้นควรทํายังไงก็ทําอ่ะเราถนัดยังไงละ่ะก็เราเนี่ยถ้าหากว่าเออมาดูกาย เอามาเอาความรู้สึกมาอยู่ที่ร่างกายมาสํารวจดูกายหรือเอามาพิจารณาร่างกายอย่างเงี้ยรู้สึกมันดูดดื่มอะ่ะรู้สึกว่ามันลึกซึ้งอะ่ะรู้สึกมันซส ง, งบอะ่ะรู้สึกว่าจิตเราคลายออกได้อะ่ะมันมีผลดีต่อจิตเราอะ่ะอันนั้นก็แสดงว่ามันถูกจริตเราอะ่ะเราก็ต้องทําทําให้มากแล้วทีนี้เพียรให้มากแล้ว บางคนก็มันวางไปเลยอ่ะอะไรเด่นขึ้นมากระดันั้นอะไรเด่นขึ้นมากระดัวนั้นวางไปวางไปทีลรอย่างทีไะอย่า ง, างมันก็ได้เหมือนกันอ่ะพอเราปฏิบัติอะไรให้จิตมันอยู่ในกายเหล่านี้ในจิตนี้แล้วก็เพื่อให้จิตปล่อยวางให้จิตเป็นกลางไม่ให้จิตเอาอะไรจะดูกายก็ได้ดูเวทนาก็ได้เเวทนาต้องอดทนหน่อยเพราะมันเจ็บอ่ะเอเจ็บก็เจ็บไปเลยวันนี้อ่ะบูชาพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ย ไม่ขยับก็ได้บูชามอบกายถวายชีวิตพระองค์เรียบร้อยแล้วเด็ดขาดลงไปนี่ก็ได้เนี่ยมันต้องการความเด็ดขาดเหมือนกันธรรมะเนี่ยต้องการจิตที่มีพลังมีกำลังแล้วข้างในมีความเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอะไรอีกมาเขาเรียกว่าดูธรรมดูธรรมก็เช่นพวงนิมิตอะไรทั้งหลายเขาก็เรียกว่าธรร ม, มานุ ป, ปัสนาสติปทาน ต้องดูเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนด้วยปล่อยวางด้วยไม่ใช่คอยสังเกตแต่ว่าเออมันมีนิมิตมาไม่แสงสีอะไรมีไหมแล้วก็จะไปเล่าให้มันดูปาฏิหาริย์ให้มันดูตื่นเต้นมันต้องเอามาเพื่อให้จิตเรารู้ความจริงว่าอันนั้นนะ่ะมันก็เกิดจากการปฏิบัติเป็นผลของการปฏิบัติเพื่อฝึกจิตเราให้รู้จักละให้รู้จักปล่อยรู้จักวางต้องปฏิบัติเพื่อไม่เอาอะไร ถ้าปฏิบัติแล้วมันยังเอาอะไรอยู่มันก็จะผิดทางไปแล้วพอมีอะไรบับขึ้นมาหน่อยก็จะเอาไปเล่าให้มันดูตื่นเต้นให้คนอื่นเขาสนใจให้คนอื่นเขามาเคารพมานับถือมายกย่องสรรเสริญน่มันก็ผิดทางไปเลยอ่ะเพราะฉะนั้นต้องพยายามที่จะละปล่อยวางที่จิตของเราไม่มีตัวไม่ให้มีตนมันถึงจะถูกต้อง อะไรเกิดขึ้นก็เอามาเป็นเครื่องมือฝึกจิตเราฝึกจิตก็คือพยายามที่จะมาละตัวละตนนี้มาขัดเกลาตัวเองนี้มันมีความรู้สึกตัวเองขึ้นมาอยากใหญ่ขึ้นมาอยากโอ้อยากอวดขึ้นมาต้องเอามันกำหลับมันให้หยุดให้อยู่ไม่ทำตามมันอ่ะมือไม่ทำตามมันก็เห็นหน้าเห็นตามันเวลามันอยากทำมันก็จะมีรสชาติอันหนึ่งเขาเรียกอัศสาตทะอัศรัทะนี่ยวว่ามันมีรสอร่อย มันจะรู้สึกว่าทำให้เรานี่มีความสุขถ้าทำอย่างนั้นอย่างนี้นะจะทำให้เรานี่ดูดีทำให้เรานี่มีสักมีสีมีหน้ามีตานี่มันสร้างตัวตนขึ้นมาทาั้งนั้นหละสร้างมายาขึ้นมาห่อหุ้มจิตตัวเองเพราะนั้นจิตของเรามันจึงเป็นจิตที่มันหลงอยู่กับมายาอันนี้มันไปไม่ได้เพราะมันผิดทาง ส่งละอัตตาละตัวละตนละมายาทั้งหมดทิ้งไปเลยแล้วที่สำคัญคืออะไรมาก็ช่างเราสละชีวิตเราเลยปล่อยเลยปล่อยเล ย, ล ย, เลยกล้าปล่อยใครกล้าปล่อยเดี๋ยวก็เห็นความจริงว่ามันไม่ได้มีอะไรเลยมีแต่ของหลอกลวงมันจะมาบีบคั้นตรงนั้นตรงนี้ปล่อยเลยแค่ร่างกายเฉยๆเอาจิตนี่ หม่ยว่าให้จิตฉันนี่รู้แล้วเข้าใจแล้ววางได้แล้วจิตมันนี่จะเป็นกลางได้มันจะมาแบบไหนก็ช้างปล่อยอย่างเดียวปล่อยอย่างเดียวทิ้งอย่างเดียวไม่เอานี่คือละตัวตนแบบง่ายๆเลยอะ่ะมันเจ็บมันปวดกระล้าเลยมันบีบคั้นตรงนั้นนุ้ยละเลยมันแน่นหน้าอกคือมันมก็ปล่อยวางเหมือนกันหายใจไม่ออกก็ปล่อยเหมือนกันเรื่องร่างกายทั้งหมดมันจะตายก็ให้มันตายไปเลยอย่างนี้เลย ให้มันเด็ดขาดไปแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายด้วยยังไงก็ต้องให้มันตื่นให้ได้ตื่นแล้วก็วางให้หมดเลยเหมือนกับว่าเราจะเอาอัตตาเอาตัวเอาตนมาทิ้งไว้ที่นี่เพราะนี่มันเป็นสถานที่ที่พระเจ้าตรัสรู้ตรัสรู้นี่มันละตัวละตนได้ละความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนรู้สึกว่าเป็นเราเป็นของเราได้แล้วก็ละเหมือนกันอะ่ะละเลย ล้ำลึกถึงการตัดสู่ของพระที่เราเออพระองค์ต้องละตัวละตนละอัตตาละตัวตนละอวิชชาละความหลงผิดละความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนว่ามันเป็นเราเป็นของเรานี่วางหมดเอาต่อไปนี้ก็จะให้ปฏิบัติไปตามลําพังสักระยะหนึ่งก่อนนะ ทำเหมือนร่างกายก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถวายเป็นพุทธบูชาถวายเป็นธรรมบูชาถวายเป็นสังฆบูชาเสมือนหนึ่งว่าแทนดอกไม้ธูปเทียนข้าวของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกวางกายเอาไว้เหมือนเข้าวผลไม้มาวางไว้เหมือนข้าวดอกไม้วางไว้นี่เนี่ยว่าเราก็เอากายเราวางไว้บูชา เอาจิตระวางเอาไว้วางกายวางจิตแล้วก็เฉยเฉยรู้อยู่เฉยเฉยรู้เฉยเฉยตัวรู้เฉยเฉยนี่คือตัวปัญญาหรือตัวศีลสมาธิปัญญาที่มันมีพลังมันมีกําลังขึ้นมามีกําลังขึ้นมามันก็เลยเหมือนเห็นเห็นกายเราเป็นกายมันอยู่ของมันไป เห็นจิตของเรามันเป็นตัวที่รู้อารมณ์แล้วก็ผ่านไปก็เลยทำความรู้สึกว่าวางกายวางจิตได้เหมือนกายกับจิตเนี่ยมันไม่ใช่เราขึ้นมาได้ตัวที่วางกายวางจิตได้ก็คือตัวที่อินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นมาปัญญามันกล้าขึ้นมามันเห็นมันรู้สึกขึ้นมาได้เองว่ามันไม่ใช่เราจริงๆเอาสุดท้ายแล้ว ข้ อ, อหูศีกรรมนะข้ อ, อหูศีกรรมเลยล้างกรรมล้างเวรออกไปเราก็จะได้ออกเสียงด้วยก็จะได้ให้สิ่งแวดล้อมที่นี่พวกอมนุษย์ทั้งหลายก็ได้ยินแล้วก็ข้ อ, อหูศีกรรมไปพร้อมๆกันกรับใดก็ตามที่ข้าพระเจ้าเคยผิดบาปล่วงเกินต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรม ต่อพระสงฆ์ต่อสัตว์อื่นใดต่อชีวิตอื่นใดข้าพะเจ้าขออาโหสิกรรมซึ่งโทษทั้งหลายที่เคยผิดบาปล่วงเกินนั้นข้าพะเจ้ายินดีให้อาภายัยให้อโหสิกรรม แก่ทุกชีวิตวิญญาณที่เคยผิดบาปล่วงเกินข้าพระเจ้าต่างฝ่ายต่างให้อภัยให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอโหสิอโหสิ อโอโหสีแล้วก็ย้ำลงไปนับปณิธานนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าพระเจ้าจะพยายามประพฤติปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจะพ้นจากทุกข์ ในวัฏะสงสารขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในอริยสั จ, จธรรมพ้นจากทุกขในวัฏะสงสารด้วยเธนินอาแล้วก็อุทิศบุญนะ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 ทุกชั้นทุกภูมิให้บุญไปให้บุญไปให้บุญไปเราอยากอุทิศบุญให้ใครเพิ่มเติมเราก็ให้ได้